ส่งขันบ้านอัน น, นีกัดตื่นเต้นใช่ไหมรู้สึกว่าหลบข้อนะจะมีคนรายงานาตื่นเต้นทุววกวันเรื่องการอะไรคนข่าวที่แล้วมาลืมหมดเลยว่าจะก่งกันบ้านอะไรคะ mm hmm. ก็มันเห็นความคิดนะคะข้างก่อนที่ลืมเล่าถวายหลวงพ่อก็คือเห็นความคิดเนี่ยมันแวบขึ้นมาว่ามันมันเป็น ภาพมายาที่จับต้องอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ตกใจมากเวลาเห็นสภาวะนั้นนะคะหลังจากนั้นมาก็จะคิดสั้นลงค่ะแล้วมันก็จะเห็นเลยว่าพอไปอ่านหนังสือหลวงปู่มั่นพูดถึงเรื่องอนุสัยกับวาสนาว่าจิตเนี่ยมันไปเกาะกับสิ่งที่เสพคุนคือก็จะมีกุศลกับอกุศล น, นั่นเองแล้วก็จะเห็นตัวเองว่าความคิดเพ่งโทษคนนี้เยอะมากเจคะ่ะ แล้วก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือถ้าไม่หมกมุ่นในการทำทานกุศลก็จะมกมุ่นเรื่องเรื่องไปเพ่งโทษแล้วยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้เรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็ต้องพยายามปิดปิดทวารด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เบาขึ้นค่ะแต่ว่าก็รู้อยู่ว่าพยายามประคองอยู่แลดีนะดีที่รู้ทั้งทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งหมดเป็นสอนธรรมะเราเข้าๆกัน เกิดระดับเป็นภาพลงตาทั้งหมด <Okay. S 1> คือการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรยากเลยง่ายสุดๆเลยจริงๆให้เราเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่ากายกับใจสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นั่นเองถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหอไร่มันจะละตัณหามันละอีกคือพอตัวเราไม่มีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีตัณหาอยากให้ตัวเราเป็นสุขอยากให้ตัวเราเป็นทุกข์ไม่มีความอยากขึ้นมาอัตโนมัติเลย พอ จ, จิตใจหมดความอยากหมดการดิ้นรน จ, จิตใจก็ไปเห็นธรรมะที่ไม่มีความอยากไม่มีความดิ้นรนคือวิราคะวิสังขารหรือตัวนิพพานนั่นเองกัวนิพพานอยู่ต่อหน้าต่ อ, ต, อตาไม่เคยหายไปไหนเลยที่เราไม่เห็นเพราะว่าใจของเรามีแต่ความอยากมีแต่ความดิ้นรนทำไมมีความอยากทำไมมีความดิ้นรนเพราะมันรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่ใจนี้ใจนี้คือตัวเราก็อยากให้มันมีความสุขอยากให้มั น, นพ้นทุกข์ อยากขึ้นมาแล้วก็ดิน้นแต่ดิ้นเราเลยทุกขแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้กายรู้ใจแจมแจ้งนะนี่ทุกข์ร้อนร้วนเป็นตัวทุกข์ร้อนร้วนไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างเขาจะวางเราไม่มีเราขึ้นมาแล้วไม่หยิบฉวยรูปนามพันห้าเป็นเราสมูทไทรทุกละอัตโนมัตินิโรธแจ้งอัตโนมัติในขณะเดยียวรู้รู้ทุกข์ละสมูทไทรแจ้งนิโรธนี่คือมะนะัชนั่นเอง งัอนมักไม่มีเรื่องอื่นนอะกจากรู้กายรู้ใจตามที่สภาวะธรรมที่เข้าแสดงตรงความเป็นจริงนะไม่แทรกแตงนี่พวกเรานทำปฏิบัติร้อยลอยๆนะพูดซื่อๆนะเอาแต่แทรกแสงมันเลยเสียเวลาแทนที่เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราก็ไปบังคับกายบังคับใจยืนเดินนั่งนอนอะไรให้มันผิดธรรมดาไปหมดเลยเราดัดแปลง ของธรรมดาคือกายกระใจนะเชนจิดธรรมดาเรยเห็นความเป็นธรรมดาของมันไม่ได้เป็นเร่องที่สุดเลยนะงเราจะเห็นขันห้าเ น, นี่ยทำงานไปปรุงแต่งไปทั้งวันทั้งคืนมีหน้าที่รู้ความปรุงแต่งของเขาอย่าไปช่วยเขาปรุงแต่งส่วนใหญ่พอจิตไปปรุงอกักขุศนเนี่ยก็ไปปรุงกุศนมาแก้กันหรือจิตมีความทุกข์เราก็หาทางทาให้มันมีความสุข เราไปปรุงแต่งตเองเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจิตปรุงแต่งไม่เป็นตัญหาเราอย่าไปปรุงแต่งจิตจิตมีหน้าที่ปรุงแต่งจะไปทําให้เขาไม่ปรุงแต่งไม่ได้จิตมีธรรมชาติต้องรู้สึกนึกคิดจะทําให้หมดความรู้สึกไม่ได้บางคนฝึกจนหมดความรู้สึกนะอย่างที่คุณอา น, นิษย์ฝึกเนี่ยฝึกไปเรื่อยถึงจุดสุดท้ายจะหมดความรู้สึกไป หมดความนึกความคิดหมดการปรุงแตง่งเราไม่ได้ฝึกให้จิตหมดความปรุงแตง่งเราฝึกจนหมดความปรุงแต่งจิตขันก็ยังเป็นขันอยู่อย่างนั้นเองขันก็ปรุงแต่งอย่างนั้นก็ขันเป็นสภาวะธรรมที่ปรุงแตง่งเป็นสังคตะธรร ม, มต้องปรุงแตง่งแต่ใจของเราไม่เข้าไปปรุงแต่งขันใจก็มีความสุขหมดหน้าที่หมดภาระภพวนาถึงจุดสุดท้ายมันจะรู้สึกเลย เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงคือเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตตาใจจะเบื่อหน่ายเบื่อสุขเบื่อทุกข์เบื่อดีเบื่อชั่วเบื่อเสมอกันหมดเลยแล้วคลายออกทายกำหนัดคลายความ ย, ยึดถือแล้วก็หลุดพ้นพอหลุดพ้นมันก็รู้ว่าหลุดแล้วนะหลุดแล้วมันรู้ว่าหลุดพลล้นแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าชาติสิ้นแล้ว ชาติคืออะไรชาติคือควาเกิดคือความได้มาซึ่งอายตนะความได้มาซึ่งรูปซึ่งนามชาติสิ้นแล้วเพราะว่ามันวางรูปบางนามไปหมดแล้วแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาใหม่เด็กที่พระเจ้าสอนพันห้าเป็นภาระนะพระอริยะเจ้าวางภาระลงแล้วแล้วไม่หยิบฉวยภาระนันใหม่ขึ้นนี่เรียกชาติสิ้นแล้วรมัญจั์สิ้นแล้วหมายถึงการประพฤตปฏิบัติธรรมเนี่ยจบแล้ว จบการศึกษาในศาสนาพุทธปรมาจันทร์นี่คือเรื่องของการศึกษาศึกษาศีลสมาธิปัญญาแจ่มแจ้งอยงปัญญาแจ่มแจ้งในรูปในนามแล้วปล่อยวางได้ใช่ไหมพรมาจันทร์จบแล้วชาติสิ้นแล้วปรมาจันทร์จบแล้วกิจ ท, ที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจ ท, ที่ควรทําคือทําปฏิบัติไปเนี่ยเพื่อความค้นทุกข์มันหมดภาร ะ, ระหมดงานแนละ้ กิจที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกนี่มันจะแจ้งขึ้นในใจองนี้นะใจมันจะเต็มมันจะยิ่มมันจะเป็นอิสระไม่มีอะไรห่อหุ้มกว้างขวางใหญ่โตมีแต่ความสุขร้วนๆเลยนะี่ความสุขของคนในโลกนะั้นมีเล็กน้อยความสุขของคนในโลกนะั้นมันเครือบเคลือบใจอยู่นิดเดียวนะความสุขมีนิดเดียวเวลาความสุขรู้สึกไหมเ ค, เคลือบเครือบนิดเดียว ความสุขในการมาสุขนิดเดียวความสุขในฌานกว้างกวางกวางนะ่าเลยจะรู้สึกมีความสุขจะยิ้มเบิบไปทุกขุมขวดเลยมันเ ป, นปล่งรัศมีเยอะเลยในความสุขของนิทานไม่มีขอบเขตเลยใหญ่กว่ากันเยอะไม่ว่าเราจะหยักหย่างลงตรงไหนจะอยู่ตรงไหนนะมีแต่ความสุขล้วน กาศาสนาพุทธนะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ที่สุดเลยพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะได้ยินคาสอนพระพุทธเจ้านะมีบุญวาสนามากให้พักเพียนรู้กายรู้ใจของเราไปมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจเป็นลำดับลาดับไปถ้าเมื่อไรเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆนั่นแหละเราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานะพวกเราไม่สามารถรู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆ เราจะรู้ได้แค่ว่ากายนี้เป็นทุกข์บางเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บางเป็นสุขบ้างนี่เรียกว่าไม่รู้ทุกข์นะแล้วก็ไม่เข้าใจสมุทยยัยด้วยละตัณหาไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าตัณหากับทุกข์โยงกั น, นยังไงมีเรื่องที่เราไม่รู้เยอะขนาดแต่อริยสัจเป็นธรรมะที่ลึกที่สุดเลยพระเจ้าถึงบอกว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจ ย, ยังต้องมินไห้ใจเกิด อยากตู้แจ้งอริยสตัตว์ไี่มีแต่รู้ทุกข์รู้กายรู้ใจลงไปรู้ลงไปมากๆรู้บ่อยๆรู้ตรงความเป็นจริงไม่ไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจอย่างคนทั่วๆั่วไปนะก็จะรู้สึกอะไรอย่างเรื่องปัญหาทุกข์ก็ไม่รู้แล้วนะพุกก็เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างที่เรียกว่าไม่รู้ทุกข์สมุทัยก็ไม่เข้าใจอย่างคนทั่วๆ่วไปไม่เห็นหรอกว่ามีตัญหาแล้วทุกข์ มีความอยากแล้วทุกคนทั่วไปไม่เห็นคนทั่วไปจะเห็นว่าถ้าอยากแล้วไม่สมอยากถึงจะทุกข์ถ้าได้สมอยากแล้วไม่ทุกข์นี่ไกลศาสนาเลยถ้าหากเราลงมือปฏิบัติลงมือเจริญสติมากขึ้นมากขึ้นเราตับจะเห็นเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าถ้าเมื่อไร่มีความอยากเมื่อนั้นมีความทุกข์จะสมอยากหรือไม่สมอยากนั้นก็มีความทุกข์ถ้ามีความอยากขึ้นมาอันนี้ก็ยังไม่แจ้งอริยสัจนะถ้าแจ้งอริยสัจเนี่ย เราจะพบว่าใจนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจะมีความอยากหรือไม่มีความอยากก็มีความทุกข์นี่ทําไมท่านสอนว่าปัญหาหรือสมุทัยเป็นเดียให้เกิดทุกข์มันทุกข์ซ้าสอนขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วมีทุกข์ชั้นที่หนึ่งเป็นตัวทุกข์แท้ๆตัวขันห้าแต่เราไม่รู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เราคิดว่าขันห้านี้เป็นตัวดีตัววิเศษของเราอย่างมากก็ทุกข์บ้างสุขบ้างเราก็เลยอยากให้มันมีความสุขถาวร แต่ให้มันคนทุกข์ถามวอนมีความอยากขึ้นมาใจจะดิ้นใจจะดิ้นจะเกิดความทุกข์อีกชนิดหนึ่งซ้ําซ้อนขึ้นมาความทุกข์นี้เสียดแทงจิตใจของเรามันมีความอยากเกิดขึ้นทั้งวันมันอยากอะไรมันอยากพ้นทุกข์แหละทําไมมันอยากพ้นทุกข์เพราะมันมีความทุกข์เพราะมีทุกข์ก็มีความอยากเพรมีความอยากก็มีความทุกข์ถ้ามีความอยากแล้วใจมันดิ้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์นะยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้น ใ, ใจจะหมุนวนอยู่อย่างนี้วัตถุโสสารหมุนอยู่อย่างนี้ยิ่งดิ้นไปยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ ก, ก็ยิ่งดิน้นหมุนไปเรื่อยๆหาจุดจบไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไรเราสามารถรู้แจ้งลงในกายในใจว่ากายใจใ น, ในี้ปวทุกข์ล้นๆนะั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวดีตัวพิเศษเราสลัดคืนความยึดถือกายใจให้ธรรมชาติกันคืนโลกเข้าไปเพราะกายใจหรือขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็าคือโลกนั่นเองคืนโลกไป ความดิ้นรนในใจยังไม่มีตัวกาย the ตัวใจเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล well. well ้วเราปล่อยมันได้เนี่ยเราก็พ้นทุกข์ไปสอนหนึ่งเราปล่อยมันได้แล้วใจก็จะไม่มีความดิ้นรนไปหาความทุกขอีกความทุกขที่จะซ้าซ้อนตามมาก็ไม่มีอีกที่มันมันหมดทุกข์เด็ดขาดสองชั้นเลยพ้นทุกข์จากตัวของมันเองพ้นขันก็พ้นทุกข์พ้นกิเลสก็พ้นทุกข์นี่ธรรมะหลายชั้นค่อยๆเรียนค่อยๆฟัง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 ใจเป็นเจ้าของบ้านเรายังหาเจ้าของบ้านไม่ได้เราไปเฝ้าหน้าบ้านเลยวันนึงจะได้เห็นเจ้าของบ้านเดินอ้อมหน่อยก็ยังดีกว่าไม่เดินเลยในการปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่ไกลที่สุดที่เราจะเรียนรู้นะก็คือกายเรียนรู้อย่าให้เกิดกายออกไปไม่ต้องไปเรียนรู้ของภายนอกบางคนไปเดินรงกลบนั่นแล้วไปรู้พื้นว่าพื้นนี้แข็งพื้นนี้อ่อนเนยพื้นนี้เย็นพื้นนี่ร้อน เราไปรู้พื้นทำไมเสีเวลาไม่มีใครเห็นว่าพื้นมื่มันเป็นตัวเราหรอกนะเราก็เห็นอยู่แล้วมันไม่ใช่ตัวเราไม่มีใครไปยึดถือว่าพื้นตาลาเป็นตัวเราแนละ้วงั้นเรียนเข้ามาให้ถึงกายถึงใจตัวเราเองเรารู้สึกว่ากายคือตัวเราใจคือตัวเรางั้อย่าเรียนออกไปข้างนอกมันไม่ผิดหรอกนะแต่มันอ้อมหนักปาะเก่าอีกไปรู้ว่าพื้นนี่เย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรเงนี้ ก็ไม่ผิดอะไรมันก็ถูกตามความเป็นจริงแต่เป็นความถูกที่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ช่วยเราละความเห็นผิดว่าพื้นนี้เป็นตัวเรามันไม่ได้เห็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเรียนลงมาที่กายที่ใจอย่าให้เกินกายออกไปมารู้กายมากเข้ามากเข้านะ้เราจะเห็นเลยในกายนี้มีความทุบบีบพันทั้งวันทั้งคืน อ, อย่างนั่งอยู่นะเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเพราะมันปวดมันเมื่อยในใจเริ่มกระสรับกระส่ายแล้วเรารู้เข้ามาถึงใจแล้ว รู้กายเห็นเวทนารู้เวทนาก็ามาเห็นจิตเห็นใจเข้ามาเป็นลําดับลําดับนะเข้ามาถึงจิตถึงใจรู้ถึงจิตถึงใจแล้วก็ให้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปจิตใจมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดอย่าไปทําให้มันหมดความรู้สึกนึกคิดให้มันทํางานของมันปกติแล้วค่อยตามรู้ตามดูไปนการปฏิบัติต้องอย่างนี้นะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา ตัอไม่เที่ยงทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยเป็นทุกข์ล้วนล้วนไม่ใช่เป็นสุขนะเป็นทุกข์ล้วนล้วนพวกเรายัางไม่สามารถเห็นว่าเป็นทุกข์ล้วนล้นเพราะฉะนั้นเราขํามภบค้ามชาติไปได้แต่ยังเห็นว่ามันสุขบ้างทุกบ้างเพื่อจะดิ้นรนหาความสุขดินนน้นรนหนีความทุกข์ไม่เลิกหรอกแต่ถ้าวันใดสติปัญญาแก่รอบจริงๆนะเห็นเข้ามาจนถึงว่าจิตนี้ทุกข์ล้วนล้วนนะ เวลามันจะเห็นเนี่ยเราไม่ได้นึกได้ฝันว่าจะเห็นอย่างนั้นไม่ได้เคยคิดมาก่อนเลยในขั้นของการปฏิบัติที่ผ่านมาผ่านมาเราจะรู้สึกว่าตัวจิตถ้ามันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันมีความสุขถ้ามันเป็นผู้หลงไปนะเป็นผู้อยากเป็นผู้ยึดแล้วมันจะเป็นผู้ทุกข์นั่นเราจะรู้สึกว่าถ้าเป็นผู้รู้ผู้บตื่นผู้เบิกบานไม่ทุกข์เป็นผู้หลงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งแเป็นทุกข์เดี๋ยคิดว่ามีสองอย่าง นี่เราพาวนามากเข้ามาเข้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะพบได้อย่างอัศจรรย์เลยตัวจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบ been, ต ải, ติกบานฉับพลันมันใจสภาพเป็นตัวทุกข์ให้ดูได้นะมันทุกข์ล้วนๆเลยทุกข์มันไม่มีที่จะหยั่งลงเลยมีแต่ทุกข์ประดังขึ้นประดังขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเหมือนเราจะตายเลยนะเหมือนเราจะตายจิตใจจะระเบิดแล้วถ้าระเบิดนะไม่บ้าก็ตายถ้าไม่ตายก็บ้าเลยจะรู้สึกถึงขนาดนั้นนะความทุกข์มันรุนแรง เราดุนิแรสุดขีดนะยอมตายเลิกดินน้นรนกล้ๆเราถูกอันธพาล น, นะไล่ชกมาไล่ชกเราก็คู่บ้างหนีบ้างมานะจะมาจนตรอกแล้วหลังพิงกำแพงแล้วไม่มีทางหนีต่อไปแล้วสู้ก็สู้ไม่ได้แล้วถึงจุดนั้นเราจะเห็นเลยจิตนี้ไม่ใช่ของที่จะถนอมรักษาไว้ได้แล้จิตนี้เป็นตัวทุบ ล, ล้วนเลย น, ะนี่ยถึงที่ยอมนะยอมตายเหมือนเราถูกซ้อมหนักๆแล้วออตายก็ตายซะจะได้หายเจ็บสักที เทียบทางร่างกายนะะเทียบในทางจิตใจก็คือมันพุกรุนแรงส่วนหมดปัญญาที่จะดิ้นรนต่อสู้ต่อไปยอมยอมแล้วช่างมันเถอกอะไรจะเกิดก็ช่างมันเถอกจะตายก็ตายนะจะบ้าก็บ้านนะพอมันสุดฉีดลงมาในปัญญาแจ่มแจ้งเห็นเนะตัวจิตเป็นทุกข์รุนแรงเนมันสลัดนะคําว่าปฏินิสัทธะการสลัดคืนมันไม่ใช่เป็นแค่วาทะนะมันสลัดคืนจริงๆในตัวสภาวะมันทิ้งจริงๆ มันปล่อยจริงๆทุกวันเราจะหยิบฉวยจิตขึ้นมาพอถึงจุดสุดท้ายรู้แล้วหยิบขึ้นมานี่พุกล้วนล้วนนี่ฟุกล้วนล้วมันจะทิ้งแต่เดิมคิดว่าของดีของพิเศษไม่ทิ้งนะเพราะการปฏิบัตินี่มีแต่เรื่องเห็นพุกเป็นกายเห็นใจลง เ, เป็นพุกล้วนลวนเมื่อไหร่แล้วก็เข้าถึงธรรมะที่แท้จริงมันจะวางเป็นลาดับลําดับไปเริ่มวางกายไปก่อนกายของวางง่ายวางความยึดถือกายเด็ดขาด ไ, ได้พานาคามี อความยึดถือจิตเด็ดขาดทั้งหมดทุระจะรู้สึกเลยหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจันท ร, ร์อยู่จบแล้วกิตที่ต้องทําทําเสร็จแล้วกิจที่จะต้องทําอีกไม่มีมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงในจิตในใจต่อไปไม่มีการบีบขั้นกดข่มในจิต ใ, น ใ, นใจต่อไปที่ธรรมะของพระพรุทธเจ้านะเด็ดขาดมากเลยงดงามมากนะค่อยเรียนค่อยรู้ไป ไม่ใช่ต้องรอให้ตายก่อนแล้วมีความสุขนะหลายคนคิดว่าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆนะเป็นท่าละหันแล้วเราก็ยังเจริญสติอยู่รักษาจิตไว้ไม่ให้มันมีความคุกคล้าผ่านได้สติอัตโนมัติแล้วรักษาสติสัมมชัญญะไว้บริบูรณ์ตลอดเวลายังรักษาอยู่ยังมีภาระอยู่นะถ้ามันสุดจิตจริงๆมันไม่รักษาล้วแล้วมันก็มีความสุขตั้งแต่ขณะจิตที่หลุดเลย ไม่ใช่ว่าต้องรอให้ร่างกายนิพพานตายไปก่อนแล้วค่อยมีความสุขนะงั้รีบภาวนานะที่ภาวนาเข้าเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วมีความสุขตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ยังหนุ่มยังน้อยยังสาวอยู่นะเกิดเป็นพระอรหรันต์เนี่ยอายุยังไม่หมดเ่ยได้เสวยความสุขหลายปีไปแ ก, ก่งักแล้วบรรลุนั้นได้เสวยความสุขสั้นๆนะนี่หลวงพ่อเอาความสุขมารอ คนในโลกที่ชอบความสุขถ้าบอกว่าปฏิบัติแล้วพนทุกข์ไม่เอานะรู้สึกยังไม่พอใจถ้าปฏิบัติแล้วได้ความสุขถึงจะพอใจแต่สุขสุขจริงๆนะสุขในโลกไม่มีอะไรเสมอเหมือนเลยถึยงความสุขในโลกหลวงพ่อก็รู้จักมาเยอะการ ม, มาสุขทั้งหลายสุขทางตาหูจมูกจ้นใจใจทั้งหลายความสุข ในรูปประธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายอย่างชื่อเสียงเกียรติยศอะไรนี่นะมันก็มีนะมีมีอำนาจมีชื่อมีอะไรที่ก็เป็นความสุขแต่มาเทียบกับความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมแล้วนะพูดหยาบๆนะยังกับก้อนขี้เนะี่ยความสุขของโลกมันความสุขเหมือนเด็กเล่นฝุ่นเล่นทรายเล่นดินอยู่ข้างถนนนะมันก็มีความสุข ข, ของมันเลยงั้นเราภานา ตั้งอกตั้งใจอย่ากลัวทุกข์นะอยากลัวทุกข์มันต้องสู้มันต้องแลกกันมาเรียนรู้ทุกข์มาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจมาเรียนรู้อย่างที่เขาเป็นไม่ทุกข์มากเท่าไหร่หรอกไม่ลําบากเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าภาวนาผิดนั้นลำบากแสนสาหัสนะภาวนาผิดลําบากจะกินข้าวก็ลําบากจะเดินก็ลําบากจะทําอะไรลําบากไปหมดเลยจะหายใจเข้าหายใจออกก็ลําบากเพราะว่ามันไปฝืนความจริง แต่ถ้าเรียนธรรมะให้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนรู้กายรู้ใจรู้ไปตามธรรมดามาตามที่เขาเป็นไม่เข้าไปดัแดแปงนเขาไม่ได้ทุกอะไรนะขณะที่สติเกิดรู้กายรู้ใจจิตก็มีความสุขขึ้นมาเลยีมีความสุขตลอดสายของการปฏิบัตินะถ้าทําถูกถ้าทํำผิดแล้วจะทุกขมากเลยนี่ทําไมหลวงพ่อบอกว่าสุดท้ายเห็นทุกข์แล้วหลวงพ่อก็บอกว่ามีความสุขตลอดสายเลยฟังแล้วเหมือนขัดกันนะ ทันทีที่มีสติเราก็มีความสุขมันมีความสุขช่วยขึ้นมาในสัมผัสเนี่ยีอยู่ก็มีความสุขุดขึ้นมาเฉยๆเพราะอะไรเพราะจิตที่เป็นกุศลมันมีโสมนัตเวทนามีอุเบกขาเวทนานี่เป็นกลุ่มของความสุขไม่มีโสมนัตไม่มีความทุกข์ใจทันทีที่มีสติขึ้นมาก็มีความสุขมีสมาธิจิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ก็มีความสุขมีความสุขได้ยาวนาน มากกว่าสติสติเกิดทีละแวบบแวบถบ้า จ, จิตใจตั้งมั่นจะตั้งมั่นต่อเนื่องได้หนอนถ้า จ, จิตแจขงเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะรู้สึกมีความสุขเป็นวันวันได้มีความสุขหลายๆวันได้ถ้าเกิดปัญญามีความสุขได้อีกสองสามวันมีปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจธรรมะขึ้นมาเป็นลำดับลำดับบางทีก็เข้าใจอะไรเล็กๆน้อยนเป็นจุดจุดนะเวลาเข้าใจธรรมะจะเข้าใจทีละจุดเหมือนต่อจิกซอได้มันทีละตัวทีละตัว นาทีสุดท้ายที่จะข้ามพบข้ามชาตินั่นแหละถจะเห็นภาพรวมได้ทั้งหมดคือแจ่มแจ้งในอริยสัจได้ทั้งหมดระหว่างเส้นทางเดินเนี่ยจะรู้เกิดปัญญารู้ขึ้นมาเป็นจุดๆนะพอเรารู้เราเข้าใจอะไรขึ้นมาจีหนึ่งแนละ้วมันอิโม อ, อิมใจสองสามวันถ้าคนไหนติดใจตรงนี้ก็อยู่นาะนมีความสุขหลายวันถ้าพวกที่ปัญญาแก่กล้านะมีความสุขสองสาวันจะลุยต่อล้ไม่อยู่ที่เดิม ไม่เพิกเฉยพอใจในกุศลที่มีแล้วแต่พวกที่ยังเพิกเฉยอยู่นี่พระพุทธเจ้าไม่สารเสริญนี่มีปัญญาก็มีความสุขมันอิมโบ อ, อิมใจมันได้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นมากขึ้นมีความสุขมีวิมุตตก็มีความสุขนะจิตหลุดพ้นไปมีความสุขมีความสุขเป็นลำดับลำดับไป แต่ว่าในขณะที่จิตใจมีความสุขเนี่ยเราจะเห็นขันเป็นทุกข์ขนานไปเลยขันนี้ทุกข์ล้วนๆนะั้นเอขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆ เ, เราจะเห็นเป็นทุกข์แต่จิตใจที่ไปมีสติสมาธิปัญญาไปรู้ขันห้านี้มีแต่ความสุขเนประหลาดอย่างนั้นเออจิตใจของเรากับขันห้านะั้มันแยกส่วนยังทํางานได้ขันห้าก็ทํางานของขันห้าเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองไป จิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปรู้ขันท่านะมันไม่ทุกนะมันอยู่ต่างหากมันแยกอยู่ต่างหากเพราะน้นบางคนภาวนาก็บอกว่าภาวนาแล้วมีแต่ความสุขล้วนๆอันนี้มองในด้านของใจมองในด้านของใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบางคนบอกภาวนาแล้วเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆอันนี้ก็ถูกต้องอีกนะมองมาจากมุมของขันถูกทั้งคู่แหละ ไม่ธรรมะตึ้งนะประณีตค่อยๆเรียนไปมันจะรู้มันจะเข้าใจขึ้มนมาด้วยตัวเองตอนหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลท่านสอนนิดเดียวนะท่านไม่พูดเดยอะอย่างหนึ่งข้อเราพูดจนหายใจไม่ทันเลย <c oughs> หลวงปู่ดูลนะเวลาไปเรียนธรรมะ ก, กับท่านนะถ้าไปกราบขอถามกรรมฐ า, านอะไรถ้าไปทีแรกเนี่ยนะท่านจะสอบประบติเราไปอย่างไปบอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติ ทำไงดีอะไรเงี้ยไม่ตอบท่านจะนั่งหลับตาขงท่านนะหลับไปเป็นชั่วโมงเลยบางกีเราคึว่าท่านหลับจริงๆริรออว่าท่านคงอายุมากหลับไปแล้วนั่งรอเคยมีครูบาอาจารย์อีกผู่หนึ่งหลวงพ่มมนตรีแกไม่ชีอะไรท่านไปหาลงกูดูลนะไปหาหลวงปูดุลไปกราบของกูจะถามไม่ไปขอเหรียญนะ่ะที่แรกไม่ได้จะไปหาธรรมะนะ จะไปขอเหรียญหนูกปู ด, ดุลพอสงปูไปถึงกุฏิหงปูนั่งก้อยยิ้ปุ๊บหลวงปู่หลับตาเลยแล้หลับตาเป็นชั่วโมงกว่าเลยสองท่านนั้นยัเป็นสารวาสนะท่านกบุญกบายหลวงพ่อก็เหมือนกันนะท่านท่านหลับตาเป็นชั่วโมงแต่พอท่านลืมตาเนี่ยท่านสอนธรรมะสอนประโยคสงประโยคกล็ลักหลวงปู่ ด, ดุลไม่สอนเยอะนะหลวงพ่อยังไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์องค์อื่น ที่ท่านจะรู้อย่างนี้ยา น, ยานทัศนานี้ประหลาดมากเลยท่านจะรู้ว่าใครควรจะปฏิบัติอย่างไงแล้วบอกกรรมฐานเฉพาะตัวเลยซึ่งยังไม่เคยพบเคยเห็นองค์อื่นทําอย่างนั้นอย่างที่าเคยบอกเล่าหนึ่งชื่หลวงพ่คืนหลูงพคืนที่ตอนเป็นฆราวาสยังไม่ได้บวชแล้วภาวนาก็ดีอยู่แล้วก็นำพักพวกเพื่อนฝูงภาวนาเรื่อยๆวันหนึ่งไปหาหลวงปู่ ด, ดูลหลวงปู่ ด, ดูลก็บอกว่า ให้พิจารณาผมเส้นเดียวเส้นเดียวนะให้พิจารณาผมเส้นเดียวผมก็คือรู้สึกน้อยจังเลยเส้นเดียวทําไมสอนคนอื่นเยอะรู้มาเล่าหลวงพ่อนะันบอกน้อยใจขอวงปู่ที่สุดเลยสอนเราน้อยนิดเดียวให้ให้ดูผมเส้นเดียวเสียใจไม่เชื่อนะพยายามดูกายดูจิตดูใจทําสมาธิุกพิจรารณากายในต่ออไรนะอยู่อย่างนั้นแหะพิจารณาทั้งตัวที่พะจารณาอย่างไงก็ไม่หลง ได้ยินว่าคนอื่นเขาพิจารณากำหนดจิตเผาร่างกายให้ให้ไหม้ไปให้หมดหเผาบ้างมันก็คือบอกเผาแล้วมันเกลี่ยมๆมันไม่ไหม้ทำงานมันก็ไม่ไหม้นะวันหนึ่งไปอยู่ที่หินมะเพงในภาวนาที่วัดหลวงปู่เทส ไ, ไปดูผมซนะมาดูผมแล้วผมหายไปหมดเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะแล้วหนังศีรษ ะ, ห, ะหายไปเห็นปัวกระโหลกดูปัวกระโหลแล้วขาดแค่นี้นะขาดเสร็จแล้ว เอ้มันขาดไปอย่างนี้ถ้าดูเรื่อยๆไปมจะหมดตัวนะแต่ท่านอยากใจร้อนเน่ยใจร้อนท่านเลยเผาอีกเผาแล้วก็กลิม่มๆนะ้วไม่ไหม้หัวแบ่งอยู่อย่างนี้จะออกพรรษานะกลับมาสุรินทร์อีกกลับมาสุรินทร์ก็มารายงานหลวงปู่ไม่พูดอะไรนะยืนยันอยู่อย่างเดียวผมเต้นเดียวผมเต้นเดียวเสร็จแล้วท้านก็ออกจากหลวงปู่ดูลไปอยู่บ้านท่านนู้นเองผมก็จำไม่ได้แล้วลรายละเอียด ท่านบอกว่าภาวนาไปจนกือทั้งหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทํำยังไงนะจิตไม่ยอมรวมนี่ขั้นสมถะเองนะจิตังไม่ยอมรวมท่านบอกวันหนึ่งลึกขึ้นได้หลวงปู่ให้ดูผมเส้นเดียวท่านก็นึกถึงผมเส้นเดียวผมท่านองยังยาวกว่านี้เนาะแต่ผมผมมีความยาวเป็นท่อนๆ น, นี่คือกสินดินนะผมมีสีดานี่กระสินสีนะท่านดูผมท่าน จิตรวมเลยนะเข้าถึงฐานถึงอัปปนาถอยออกมาเนี่ยมารู้กายมารู้ใจจิตมีกำลังมากขั้งขาดเลยวันนี้ธรรมะของหลวงปู่ดูลนะพวกเราไม่มีบุญวาสนาได้เรียนกับท่านนะมาเรียนกับรุ่นหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้อย่างท่านหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยตัวเองให้เยอะๆเราไม่มีครูบาอาจารย์จะช่วยแล้วแต่แต่ก่อนหลวงปู่ดูลสอนไหวนะ เขานานๆมีคนก็ไปหาคนหนึ่งอย่างเดี๋ยวนี้มาวันละร้อยนะหลวงปู่ ด, ดูนก็คงไม่เอาเหมือนกันเลยถึงเจอท่านท่านก็ไม่เอานะสรงไหบายเหมือนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวอยู่ถ้าตรงเขนวันนึ่งนั่งกุยอยู่กับพ้านะอยู่ๆท่านก็ลุกพลดปลัดขึ้นมานะคว้ากรดขว้าย่ำนะพ้าถามหลวงปู่จะไปไหนท่านบอกว่าจะขึ้นเขาธรรมารของเราน้อยสู้เข้าไม่ไหว เาก็งงว่าหลวงปู่จะไปสู่กับใครอีกนะภาวนาจนกระทั่งไม่มีอะไรจะต้องทำแนละ้วสบายแล้วไม่เข้าใจนะที่หลวงปู่หนีขึ้นเขาใช้พักรถทัวร์เขามาหลายคันรถ <c oughs> ทัวร์มานะเอาหลวงปู่ไม่อยู่ขึ้นเขาไปน้ำเมื่อไหร่จะกลับไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้บอกไว้รถทัวร์กลับไปหลวงปู่ก็ลงมาจากเขาพว <c oughs> กเราไม่ได้เกรดรถทัวร์นั้นนะนะ พวกเราคุณภาพทางจิตทางใจของพวกเราดีกว่าพวกทัววัดนะพวกทัววัดจะเป็นอีกอย่างหนึง่งถ้าไปทำบุญเท่านั้นแหละทำบุญอย่างเดียวครูบาอาจารย์ไม่ค่อยชื่นชมเท่าไหร่เสียเวลาถ้าพวกเราไปเรียนกรรมฐานเรียนธรรมะนะครูบาอาจารย์ชอบหลายวงนะ่ะแก่มากแล้วใครถามกรรมฐานนะ่ะสู้ตายนะยิ่งพูดยิ่งคึกคักขนาดหลวงปู่เหรียนนะหลวงปูกก่เหรียน ก่อนมรณาภาพไม่กี่วันนะเราพ่อไปกราบท่านท่านนอนอยู่บนเก้า อ, อีเตียงแบบเตียงโรงพยาบาลเนะ่ะเราเข้าไปกราบท่านกระดกขึ้นมานะั่งพอท่านเล่าเรื่องการปฏิบัติของท่านนะท่านให้กำลังใจว่าต้องสู้ตายนะเราต้องสู้ตายนะอ ย, นะอย่าท้อถอยนะเหมือนท่านสิท่านสู้ตายแหม่ท่านรื้อเขิลมากเลยนะเก้าสิบกว่าอยู่บนเตียงแต่เวลาเล่าถึงการปฏิบัตินะรื้อเขิล แต่พวกเราสนใจธรรมะนะครูบาอาจารย์ก็คึกคักเข้มแข็งนะถึงแก่แก่แล้วก็ยังคึกคักแต่ถ้าเรามาถามนะเรื่องทําบุญทําทานเรื่องนั่งสมาธิเห็นนิมิตเรื่องอะไรนี่นะครูบาอาจารย์จะค่อยๆเขียวลงเรื่อยๆนะรู้สึกเออนิพพานซะดีกว่ามั้งแต่มาถามเรื่องเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยจะคึกคักแต่คนมันก็มีหลายระดับนะแล้วก็ไม่ได้ว่าเขาว่า พวกชอบทำบุญไม่ดีนะแล้วก็ดีของเขาทำบุญให้ทานไปตามวัดนว้้นวัดนี้ก่อนก็มีสัพ์อยู่คำเรียกอรหันทัวใครสืบว่าวัดไหนมีพระอรหันนะก็ตระเวนไปเร่งกอรหันทัวทัวทำบุญไปเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันดีกว่าทำบาปหลวงปู่เต้ท่านก็ทัวไปนะท่านก็คุยกับหลวงพ่อท่านก็บอกว่าพวกนี้เขาก็ดีนะ คนในโลกนี้มีหลายพันล้านตอนนั้นมีสักสี่พันล้านคนในโลกมีหลายพันล้านคนที่จะรู้จักศาสนาพุทธมีนิดเดียวแล้วคนที่ว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยที่สนใจเข้าวัดเข้าว่าจริงๆมีนิดเดียวก็เข้าเข้ามาอย่างนี้ดีละก็มาทําบุญทําทายก็ดีละคนที่เข้าวัดมาร้อยคนนี่นะจะหาสนใจปฏิบัติสักคนหนึ่งก็ยากมียากหายาก นั่นคนที่ปฏิบัติธรรมนี่เป็นคนหายากแล้วคนที่ปฏิบัติธรรมจริงจังนะจนเข้าถึงมากผลจริงๆยิ่งยากใจมันเป็นของหายากนั่นธรรมะจริงๆเป็นของหายากนะพวกเราต้องหาเอานะหาอยู่ในกายในใจค้นลงไปรู้ลงไปในกายใน ใ, นใจนี้แหละแต่ไม่ถ้าไปหาที่อื่นนะไม่ใช่หาที่หลวงพ่อนะไม่หาที่วัดไม่ได้หาในคอร์สธรรมะรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจ กายกระใจแสดงไตรักให้ดูถึงวันหนึ่งแจ้งขึ้นมาโห้ธรรมะอัศจรรย์ธรรมะอัศจรรย์แจมแจ้งขึ้นมานะเหมือนธาตุขันธ์มนุษย์จะทนไม่ไหวเลยนะความสุขที่มันพ่วมท้นขึ้นมาแต่จิตใจที่เข้าถึงธรรมะแท้ๆนะมีแต่ความสุขเปนความสุขท่วมทน้นจนเหมือนธาตุขันธ์มนุษย์จะแตกทำลายทนไม่ไหวหอยู่หลายหลายวันค่อยชินค่อยชินวันนี้ทําไมมั น, เ ป, นเป็นธรรมะปลุกใจแต่เช้าเชียวเนะ ธรรมะหลวงพ่อนะไม่มีการเรียนนะแล้วนะแต่คนฟังธรรมะมันจะออกมาตามสภาพของคนฟังวันไหนพวกเล้อเลอเทอเท้อมานะธรรมะของหลวงพ่อก็ห่อเหี่ยวไปด้วยนวะันไหนพว ก, กจิตใจห้าวหาญมาธรรมะก็ห้าวหาญคึกคักต้องต่อตู้แต่ละวันไม่เหมือนกันหรอก